ขอโนนอมต่อพระรัตนตรยัยนะขอถวายความเคารพต่อพระเดชพระคุณอธิบดีสงฆ์วัดมาธาขอแสดงความเคารพต่อพระเทรานุเทระซึ่งมีพระเดชพระคุณพระภาวนาวิทยาคุณเป็นต้นขอเจริญพรโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ก่อนอื่นก็จะประนมมือก็ได้แม้ประนมมือก็ได้นะะไม่ได้ว่าอะ ไ, ไม่ต้องจ่ายอะไรทั้งสิ้นนะเดี๋ยวว่าประนมไปกนลมไปก็มือมันต้องลงอยู่แล้วฟั <c oughs> วงแบบสบายๆเหมือนกี่อาจารย์มหาจากเนเธอร์แลนด์ว่าอย่างนะี้เดี๋ยวนี้ตั้งแต่ไปอยู่เนเธอร์แลนด์เนี่ยโห ใช้ได้ทีเดียวนะโยมกันดานะก่อนอื่นก็ต้องสแสดงความยินดีกับญาติโยมโยคีทั้งหลายนะครับที่มาดูแลชีวิตตัวเองนะแล้วก็สร้างสรรค์ชีวิตตัวเองสร้างคุณค่าให้แก่ชีวิตตัวเอง นล่ก็สะสมแต้มความดีให้กับตัวเองสำคัญมากวันนี้เราทำความดีแล้วยังลองบันทึกไว้ว่าช่วงมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมีอะไรที่เป็นกุศลมากน้อยแค่ไหนที่เป็นอกุศลมากน้อยแค่ไหนลองบันทึกสะสมแต้มความดีหน่อยก็ได้ ว่าสิ่งไหนที่ยังบกพร่องก็จะได้แก้ไขนะเพราะว่าความดีที่เรารู้จักกันนั้นก็คือว่ามันไม่มีขายถ้าขายโยมไม่มาที่นี่ไปซื้อที่ตลาดปากคลองก็ได้ปากคลองตลาดหรือเยวราชขายความดีกันื้อสะ ส, สมแตไม่แก่ตัวเองแต่นี่เพราะว่ามันไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องทําเองใช่ไหมให้คิดตรงนี้อยู่เสมออยากได้ต้องทําเองจะรอให้คนอื่นทํำให้มันก็ลําบากอยู่เหมือนบางที่เราเชื่อถือกันว่าคนที่ตายไปแล้วจะได้รับส่วนบุญส่วกุศลจากเราแล้วก็เข้าไปตั้งแล้วก็ขวาโหลม <c ười> กลับมาเห็นเต็มจานเต็มถ้วยเรานึกอย่างนั้นความเป็นไปไม่ได้แต่ นั้นมันมีผลทางจิตใจนะใจแออก์ขึ้นความกัตัญญูกตวเวทีเพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าความกตัญญูกตวเวทีนี้เป็นเครื่องหมายของคนดีฉะนั้นถึงว่ามันจะเหลืออยู่ขนาดไหนก็ตามแต่ในความรู้สึกจิตวิญญาณของมวลมนุษย์แล้วนี่ว่าเออเป็นคนกัตัญญูรู้คุณนะมันลึกต่างจิตใจบางครั้งบางราวเรามีอารมณ์ที่ไม่ดีเดินผ่านสนามหลวง อันมาศูนย์นาจาตเด่นลังคาใจเราก็บุ่นนะเรานึกถึงกันดีจริงจริงนะเด่นลังคาศูนย์อืโสติมาปัญญาเริ่มเกิดนะความหงุดหงิดอารมณ์อะไรต่างๆนึกถนะึงอนกลับเขาเล่าให้ฟังว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งสามีทอดทิ้งไปเดินแถวปากคลองตลาดอุ้มลูกน้อยคิดจะไปข้าตัวตายสะพานพุทธ ขนาดที่คิดทาตัวตายเนี่ยมองหลายอย่างนะมอ ง, นนมองไปนู่นมองไปนี่เหมือนลอยไปยืนบนสะพานพุทแล้วปรากฏว่าหันซ้ายอันหน้าไปทางเหนือหันซ้ายก็เจอวัดไปอยู่ระวงหันขวาก็เจอวัดราชปุรนะมามีแต่หลังคาโบสถ์ทั้งสองฝั่งจิตใจอ่อนโยนน้อมไปปรากฏว่าไม่กระโดด เอาตัวรอดได้ลูกก็เอาตัวรอดได้นี่แค่ลังคานะแค่ลังคาโบสถ์ทั้งสองวัด <c oughs> นี่ถ้าเข้ามาอยู่ในศูนย์ขนาดไหนจิตใจอบอุ่นจิตใจมีคุณธรรมจิตใจมีสติจิตใจมีปัญญาเพิ่มขึ้นทําอะไรก็ยังคิดใจตรองปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้พอกลับถึงบ้านถูกรางวัลที่ห้าโอ้ท่ า, าว่าแกฆ่าตัวตายแล้วรางวัลที่ห้าใครเอาเนะ ถูกรางวัลที่ห้าอพราถูกรางวัลที่ห้าคนที่กลับมาคนแรกคือสามีครับเห็นไหมครับตอนที่มีปัญหาก็รีบจากนะแต่พอมีเงินมากก็รีบกลับเนี่ยใช้ได้ที่ไหนเพราะฉะนั้นความจริงมันไม่มีอะไรโลกสมมุติบัญญะได้สนมากนะคิดได้ดี ทีอทตมาเกิดในควัมงนี้แค่เห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราก็จิตใจอ่อนโยนโดยเฉพาะคนพุทธอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยคนพุทธอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยเราก็มีน้ำใจจิตใจอย่างนี้อยู่แล้วนะเป็นพื้นฐานนะโยมนะฉะนั้นขอโยมทำต่อไปเอะเป็นกำลังใจให้นะ เป็นกำลังใจให้อตาตมาเองจะไล่ความตัวเองก็ไม่ใช่เป็นวิปัสนาจารย์นะโยมที่มาเนีน่คงได้เป็นอาจารย์<บ>เหมือนที่ลูกศิษย์บอดแต่กี้ว่าเป็นอาจารย์สอนสอนที่มหาวิทยาลัายมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัายแล้วก็ย้ายออกไปข้างนอกกวัดหลวงพ่อแพร่บ้างวัดโสธรบ้างอะไรเงี้ยที่ไปอยู่เป็นประจําทุกปีทุกปี Yeah. วัดหลวงพ่อแพรก็วันจันทร์วัดโสธรก็วันพุทธวังน้อยก็วันอังคารนี่จะไม่เว้นอีกเห็นว่าจะเปิดหลักสูตรพระพุทธศาสนาประการอิยธิบทที่หมหาจุฬาที่นี่วัดมหาธาตุจะให้สอนที่นี่อีกคือจใจมันคนอายุมากแล้วนะคือเมื่อก่อนเป็นอาจารย์จริงตอนนี้คงน่าจะเป็นกะละมังแล้วละเพราะว่า มันกว้างขึ้นไม่รู้ว่าเป็นอะไรใช่ไหมครับเป็นอะไรพระโปรดเสษียนมาหกปีเจ็ดปีตั้งแต่ห้าหนึ่งกันยาห้าหนึ่งมาจนถึงปัจจุบันนี้หกสิบเจ็ดแล้วนะอย่าไปเล่นหนวยนะั่ไม่ออกแล้วขนาดหลวงพ่อคูณที่ดังๆยังไปไกลเลยนะหสิบเจ็ดแล้วญาติโยม บ, บางท่านมานั่งที่นี่ตั้งแปดสิบกว่าเก้าสิบก็คงจะมีนะ ดูดูเพราะว่าเด็กสิบหกนี่หายยากใช่ไหมที่มามีแต่หนกหน้าสิบหกพระเจ้ า, จาวันก่อนไปฉันที่ธรรมศาสตร์เจออาจารย์มารุษบุญนารู้จักกันถามอาจารย์อายุเท่าไหร่โอ้ท่านพระครูสิบเก้าเองโอ้สบเกเอง <laughs> นะจะถึงอยู่แล้วเก้าบเอ็ดเนี่ยนะ แล้วเองเป็นคนมีอารมณ์ขันนักกฎหมายเนี่ยนะฉะนั้นญาติโยมอาตมาไม่ได้เป็นวิปัสสนาอาจารย์แต่เป็นอาจารย์พอรู้เรื่องบ้านเท่านั้นเองก็เลยท่านเจ้าคุณภาวนาให้มาบรรยายที่นี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่เจดนะท่านที่มา แต่ถ้าไม่รับไม่รับบรรยายนะ่ยคือห ม, มายความว่าบางทีวันจันทร์บ้างวันพุธบ้างเหมืนกะท่านนิมนต์ไปโทรศัพท์ะะไปก็มาก็มาไม่ได้หรือบางทีต้องไปวังน้อยอย่างเงี้ยนะก็เลยรับมาได้ที่ครั้งที่7ครั้งนี้นะเจมาแรง <c oughs> ฉะนั้นครั้งที่7นะวันนี้ครั้งที่7นะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายนะมาแล้วก็ตั้งใจ ในการปฏิบัติให้เป็นโยคีให้ได้โยคีแปลว่าอะไรครับไหนใครช่วยตอบหนะ่อยดันนโยคีผู้ปฏิบัติได้เหมือนกันโยคีแปลว่าผู้บำเพ็ญเพียรนะเนีย่ยโยคีเนี่ยผู้บาเพ็ญเพียรแต่ถ้าโยคุยนะ้ไม่ต้องคุยกันไปกลไม่ต้องแต่โยคีเนี่ยผู้บาเพ็ญเพียร โยคะประกอบความเพียรชาคัริยานุโยคประกอบความเพียรเพื่อตลัสกิเลสไม่เห็นแก่นอนมากนักตีใช้คําว่าโยชาคัริยานุโยคฉะนั้นโยคะโยกีพวกนี้ประกอบความเพียรนะเราใช้โยกีก็คือนักปฏิบัติก็ได้นะครับจะตอบยังไงก็ได้ผู้ปฏิบัติทำแต่ปโยกีเนี่ย เพราะว่ามีความแตกต่างในโยมการปฏิบัติแบบโยคียกับการปฏิบัติแบบผู้ปฏิบัติธรรมบางครั้งก็มันไม่เหมือนกันอย่างวิริยะเนี่ยความเพียรเนี่ยกว้างมากเลยเพียรอะไรก็ได้แม้แต่การปฏิบัติธรรมก็เพียนได้แต่ถ้าหากว่าเป็นวายามะความเพียรเนี่ยองมากตรงนี้ นีความเพียรชอบเป็นองค์มาสัมมาวยมามะที่เราเนี่ยอย่างเนี้ยประทานก็ความเพียรอีกท่านแปลอย่างนี้ตามหลักศาสนามันหลายเพียรเหลือเกินอ่ะนีฉะนั้นแล้วแต่นําไปใช้เพียรแบบไหนมันมีเพียรปกติกับเพียรแบบผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนเราทําภารกิจต่างๆเราใช้วิทยะหมด ที่บ้านทำโน้นทำ น, น, ทำนี้ก็ยั้ทำการทำงานก็เป็นวิทยะหมดนะก็ความเปลี่ยนเหมือนกันนะฉะนั้นอตาตมาเองก็เคยปฏิบัติมาเล่าให้โยมฟังสักนิดหนึ่งโยมที่เคยฟังอตาตมาแล้วก็โดนเล่าตัวเองมาหลายรอบด้วยกันนะครั้งแรกบวชเป็นสนนัมมเนนเมื่ออายุสิบห้า จเจริญพุทธโธนะสมถะเจริญพุทธโธพุทธโธพระพุทธโธดังมากตรงนั้นยังว่าวิปัสสนา ย, ยังไม่เข้ามาเนื้อสมถะที่มีแล้วภาวนาพุทธโธพุทธโธต่อมาพุทธโธหายก็มาสัมมาดาง น, นะพอเข้ามาอยู่วัดมหาธาตุสองพบก็เข้ามาสู่วัดมหาธาตุก็กลายมาเป็นวิปัสสนาะปฏิบัติวิปัสสนา ครั้งแรกที่มาก็ผู้ให้วิปัสสนาก็คือเจ้าคุณอาจารย์โชโดกตอนนั้นยังเป็นพระเทพสิทธิมุนีไม่ใช่ธรรมตทีราชมามุนีนะนอาจารย์เจ้าคุณโชโดกนี่แหละคณะห้าเราเ น, น, นี่แล้วท่านก็สอนในโบสตอนนั้นพระที่ใครเข้ามาอยู่เนี่ยท่านต้องสอนเรื่องวิปัสสนาอบรมวิปัสสนาหมดนะเข้าคอร์สนะจนกว่าจะเข้าภรษาเข้าภรษาและยังอบรมต่ออีก อาไปเรียนหมาจุฬาก็เจอท่านอีกนะเจ้าคุณอาจารย์ก็ไปสอนในหมาจุฬาก็ไปเจอกันอีกสอนปัจนามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านยกเทา้าอาตมาอาตมายกไม่เป็นนะคือย่างแบบไม่รู้เรื่องอะไรเนะงี้ยกว่าไอ้ย่างหนอใ้าย่ยางหนอยกหนอยย่างหนอยเหยียบหนอนี่พอระยะยกหนอยย่างหน่อเหยียบหนอหนอาตมาทําไม่ถูกเจ้าคุณอาจารย์ก็มาทํามาจับด้วยคือเรา ไม่เคยต่อวิธีนี้เเลยนะท่านก็โอ้ท่านเมตตา ม, มากเลยมีพระหมหาเทราถึงขนาดนี้มาจับเท้าให้เดินเดินได้ถูกต้องนะไอตอนย่างหน่อเหยียบหนอเรานะไม่รู้ละพอยกหนอยกยังไงย่างยังไงเหยียบยังไงเท้าเราทำอะไงไม่ก็ถูกท่านก็ช่วยนะมันต้งหกระยะจริงแค่3ามระยะก็ถ้าหากว่าเก่งก็ไปได้แล้วนะ ฉะนั้นการปฏิบัติของอาตมาก็อยู่วัดหมหาธาตุและในหมหาวิไลแล้วปีสุดท้ายปี2528ก็ไปปฏิบัติกับหลวงพ่ออาสพะที่วิเวกอาสมวิเวกอาสมก็ล่มสลายแล้วตอนนี้ไม่มีนะอาตมาไป2528นะยังมีอยู่ตอนนี้ล่มสลายไปแล้วเป็นรีสอร์ทหรือเป็นอะไรไม่แน่ใจนะที่ชนบุรี ห่าจากตัวจังหวัดไปหนึ่งกิโลสกิโลได้มังนะเรียกว่าวิเวกอาสองไปปฏิบัติที่นั่นรู้สึกว่าวิญญาณมันจะชุมมากที่นั้นไปก็เจอกันกับพวกวิญญาณทั้งหลายสัมภเวสีอะไรมากม า, กมากยเยอะแยะเขาบอกว่าเป็นที่ขวางศพอะไรเงี้ยนะก็ไปปฏิบัติที่นั่นสิบห้าวันหลวงพ่ออาสาวพัก ร่วมสอบอารมณ์ด้วยเท่า น, นั้นครั้งแรกที่อาตอมาไปพอไปถึงวัดมีเพื่อนคนหนึ่งชวนไปบอกไหนไปหาอาจารย์ใหญ่ที่อยู่ที่ไหนไปกันสามรูปอยากจะไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนนะืออะไรจพอไปถึงก็ท่านก็นั่งอยู่ในกุฏนะิพอนั่งในกุฏิเราก็เข้าไปเจอเจ้าคุณอาจารย์วัด มหาพฤฒารามท่านนั่งอยู่ตอนนั้นยังเป็นพระมานรงก็ก้าไปจะถึงลุงพ่อว่าเธอชั่วร้ายเธอชั่วร้ายเธอชั่วร้ายไปทั้งสามคนชั่วหมดเลยนั่งงงกนนะท่านเป็นพระพม่าเนี่ยภาษาไทยไม่เก็งแรงพะมาถาม ท่านถามอีกทีเธอช่วร้ายอะเจ้าคุณเจ้าคุณที่นั่งอยู่บอกตอบท่านทีท่านถามว่าเธอชื่ออะไรไม่ใช่ชั่วร้ายหรอกเธอชื่ออะไรก็เลยตอบว่าท่านเพงถึงบังเอลุกเห็นท่านครั้งแรกนนี่คือภาษาที่สื่อไม่เข้าใจเนี่ยยังจำจนทุกวันนี้เลยเ่ยจนถึงท่านตายแล้ว เผ่าพระวัดสักเกตหรือพระวัดไหนจะไม่ได้ตอนนั้นนะหลวงพ่ออาสาาเนี่ยสักเกตหรือเปล่าเนี้อายุตั้งเป็นร้อยเมือตายตั้งศพที่วัดเราเนะนี่ยหลวงพ่าเนี่ยยัจำท่าได้ปียนะี่สิบแปดเลยมาถึงบางพ่อว่าเออเธอชื่ออะไรนะมีการแปลไทยเป็นไทยด้วยไทยของหลวงพ่อกับไทยของพวกเราเ อ, อนี่นี่คือบางทีก็ท่านก็ เป็นพระเทราที่น่ารักนะองค์พ่อาาพระนี่ได้ปฏิบัติกับท่านและขณะเดียวกันอนาะจารย์พรรัศนชุสุวรรก็ได้ไปนะปียี่้าไปที่อาจารย์พรที่แ้มสนุนอาจารย์พรเอาไปเรียนที่โน่นเรียนกรรมาฐานนั่งกรรมาฐานเราก็ยังไม่คุ้นเคยอะไรกับอาจารย์พรมากนักอาจารย์พรเก่งนะเป็นศิษย์วัดหมาท่านนะ ตีตัวออกงจากวัดมาถ้าทุดงไปตามป่าตามเขาไม่เข้าเมืองเลยนะจนศึกเป็นคารวาไปอุตรดิต่านเป็นคนอุตรดิตไปกันกี่รูปไม่รู้ทุดงไปแล้วก็ไปนั่งในป่าปรารธรรมศึกษาธรรมกันจนเขาบอกว่าท่านเพียนแต่ที่จริงทั้งเก่งวิญญาณทั้งนั้นเลยของท่านนะโรงพิมพ์ก็โรงพิมวิญญาณสอนก็สอนเรื่องวิญญาณอาจารย์พรเนี่ยนะเป็นคนน่ารักเหมือนกัน ท่านไม่ว่าดรกการคำพวกเราเนะเวลาตีสี่ตื่นท่านตีรังท่านตีระคำเองเนะให้พระนิสิต ท, ที่เป็นลูกศิษย์ท่านเนี่ยตีระคำเสร็จแล้วพระลงไปลงไปเสร็จแล้วพระลงไปแล้วนะท่านก็บอกว่าผมปิดควายนะพระคุณเจ้าพอปิดควายนี่เราก็ชอบเสาธุปรากฏว่าหลับกันอบายไปด้วยนาะยยงนะบาดตั้งคํานับปุณบาทเลยคํานับมาจารย์ สบายมากเลยโอ้ปฏิบัตินี่อาจารย์พรนะแล้วไปหลวงพ่อพุทธทาสยิ่งอิสระอีกเนี่ยนั่งรถไฟไปถือบาทนั่งรถไฟไปที่สวนโมกขพระปาลาวดูจะเป็นเรียนปีสามอ่ฮะฮึปรากฏว่าไปก็แบบอิสระกันเป็นเรื่องสนุกสนานมากตอนนั้นคือไม่ได้อะไรเลยไม่รู้สึกตัว่าเออ ทำไมไม่กอบโกยผลประโยชน์ที่ตัวเองไปเจวันเนี่ยมันต้องได้อะไรไ ม, ไ, มไม่ได้เราจะเห็นได้คนที่ได้มากปัจจุบันนี้ยกย่องอยู่สององค์คืออาจารย์พยอมกัลยาโนและท่านวอรวัชิระเมธีนะท่านวอรเราไ็รู้จักนั่นคือจิตหลวงพ่อพุทธทาสไปคลุกไปนั่นอยู่เลยนะครับเนี่ยองท่านนี้แหละแต่ท่านอาจารย์พยอมนี่ยกย่องมากหลวงพ่อพุทธทาสเพราะว่าไปอยู่ คือหลวงพ่อพุทธทาสท่านสอนแบบธรรมชาติแบบติดตะขั น, นเนี่ยที่ตะขนสอนธรรมชาติเด็ดเป็นไม้มาถึงก็เป็นเรื่องของธรรมะหมดเนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสท่านไม่พู้จี้จุเกคุณทำไงานก็ได้แต่เวลานั้นก็ท่านถามให้เราตอบหรือเราถามท่านท่านก็ตอบอย่างนีนน้นั่งกันเหมือนกันญานณะมิธรรมดานี่เป็นเรื่องของการปฏิบัติแต่ละแนวและแนวก็ไม่เหมือนกันโยนนะ แต่ในศาสสนาเนี่ยท่านแบ่งอยู่เป็นสองสองแนวทางท่านเรียกว่าธุระไม่ใช่กิจนะนถ้าธุรกิจมันก็ไปไกลหน่อยนะครับอาจจะมีบ้างหรือเปล่าองวิพัฒนาธุรกิจสมถะ ธ, ธุรกิจนะแต่ว่าท่านใช้คำว่าสมถะนีกับวิพัฒนาเนี่ยเป็นธุระคือต้องปฏิบัติต้องเอาใจใส่ ต้องรักษาเรวนรักษานะต้องเอาใจเข้าไปใจนั้นก็คือวิปัสนาธุระท่านใช้คำนี้นะท่านจะไม่ใช้สมถะธุระถ้าศึกษาท่านเรียกว่าคันถาธุระเอาใจใส่ในเรื่องการศึกษาก็ใจบิดดกแต่พอวิปัสนาสมถะท่านไม่พูดท่านพูดว่าวิปัสนาธุระนะเพราะว่าอะไรสมถะกับวิปัสนาเนี่ย มันที่สุดคือตัวเดียวกันโยมตัวเดียวกันแต่เรายังสับสนกันอยู่นะญาติโยมบางครั้งบางคราวไม่รู้ว่าตัวไหนคือสมถะตัวไหนคือวิปัสสนานี่ยตัวที่สําคัญมากบางทีปฏิบัติไปแล้วมันเป็นสมถะหรือวิปัสสนานะแต่มันไปได้เหมือนกันนะโยมนะทั้งธรมถะทั้งวิปัสสนามันไปที่สุดเหมือนกันที่ท่านเรียกว่าวิมุติ หลุดพน้นจากอาสวากิเลสวิมุตต์เนี่ยมีอยู่สองตัวละหนึ่งเจโตวิมุตต์หลุดพน้นด้วยพลังของสมาธิหรือสมาธาิสองปัญญาวิมุตต์หลุดพน้นด้วยพลังของปัญญาคือเห็นใจละเนี่ยวิมุตต์สองตัวนี้มาจากสมาธาิและวิปรัชนาพระพุทธเจ้าของเราทูยินวันสองอย่างในเป็นหนึ่งเดียวคือพระพุทธเจ้ามีทั้งสองอย่างในพระองค์เอง มีทั้งสมถะและมีวิปัสสนาอยู่ด้วยเพราะว่าตอนที่พระองค์ก่อนจะจัดรรู้พระองค์ไปเรียนอยู่ในสำนักของอาจารย์ที่เป็นสมถะก็คืออาลาระดาบทอุทกาดาบทไปเรียนสำนักนั้นจนได้ฌานรูปฌารนารูปฌารนที่เรียกว่าสมาบัตแปดนแล้วต่อมาบำเพ็ญเพียรทางใจ นอกจากทำทุกกาลกิยาแล้วเขาความเป็นเปลี่ยนทางใจนี้เป็นวิตารณาเพียวเพียวเพียววิปัสสนานะช่วงหลังนีฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแสดงฤทธิ์ได้นะคนจะห่อเหิญเดินอากาศได้ต้องอาศัยสมถะวิปัสสนาห่อไม่ได้หรอห่อไม่ได้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบพระสาวกก็มีอยู่สองรูปรูปหนึ่งคือพระโมคคัลลานะห่อได้สมถะ รูปหนึ่งคือทศส า, ารีบุตรวิปัสนาเหาะไม่ได้กระโดดได้กระโดดข้ามแม่น้ํากระโดดข้ามครองนะเพราะเหาะไม่ได้เนี่ยนี่แตกต่างของสมถะกวิปัสนาเนี่ยคุณสมบัติของสมถะเนี่ยได้วิชาสามปิญญาหกปฏิสัมพิธาทีนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษแต่ท่านทั้งหลายเหล่านี้กว่าจะบรรลุก็ช้าเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ ค่อนข้างจะติดอารมณ์สมถะนี่ติดอารมณ์มากกว่าวิปัสสนาเนเพราะอารมณ์ของสมถะเนี่ยมันมีถึง40สบนะสมถะตามในแนวอภิธรรมวิสุทธิมรรคมีอยู่4ี่สบนกะ 90, ระจิง1สิอจุภาสสิบอนุสตีส0บพรหมิหารสี่อารเรปฏิกูลสัญญาหนึ่งจตุธาตุววัตฐานหนึ่งและอรูปสี่รวมแล้วเป็น4ี่สิบ ส่วนอารมณ์วิปัสนาเนี่ยมันมีแค่หกตัวขันท่าตายัตนาอินทรียีปฏิจจัสมุบทและริยสัตว์ส่วนมากเขาจะเอาขันเนี่ยมาเป็นอารมณ์ขนะที่เรียกว่ารูปนามนยโย ม, มคงรู้จักรูปนามนะรูปก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือ น, นามหรือกายกิจนั่นเองส่วนมากจะกกำหนดตัวนี้ในสติปัฏฐานนะฉะนั้น เราจะเห็นได้ว่าวิปัสสนากับสมถานี่อารมณ์ก็แตกต่างกันนะวิปัสสน า, าสมถาจะเห็นว่ากำหนดพุทโธเนี่ยพุทโธเป็นพุทธานุสตินะเป็นสมถานนะเป็นสมถากำหนดแล้วเพื่อให้สมาธิมั่นคงเมื่อสมที่มั่นคงแล้วเขาเรียกว่าอัปปนาสมาธิ สมาธิมีอยู่สองตัวหลักคืออุปจาระสมาธิสมาธิแบบไม่แน่นสมาธิแบบชิวเฉียดยังไม่ถึงรุนแรงสวนอัปปนาสมาธิสมาธิแน่วแน่นะอุปจาระสมาธิได้แก่สมาธิในรูปฌานอัปปนาสมาธิได้แก่สมาธิในอรูปฌานอะรูปฌานเป็นอารมณ์ละเอียด กำหนดยากหนะ่อยคุยย่อยใอากาศสานัญญายตนะวิญญาณนะัญจยายตนาอกินจัญญาเยตนาเนวสัญญาณาสัญญายตนายมันอารมณ์ที่ละเอียดค่อนข้างจะไม่เป็นรูปธรรมนะส่วนรูปประจานก็กําหนดอะไรวิตกวิจารณ์ปีตีสุกเอกคตาในะรูปประจานฉะนั้น เมื่อได้อภิษฐสมาธิแล้วก็เรียกว่าได้ฌานหรือได้สมาบัติพวกนี้แสดงฤทธิ์ได้หาะเหินโดยนอากาศได้ที่ก็ว่านะพระอริยะโถงสมัยก่อนก็บําเพ็ญสมาธิส่วนมาฉจานั้นวิปัสสนาเนี่ยเข้ามาเมืองไทยมันทีหลังนะจากนั้นเราจะเห็นว่าบําเพ็ญสมาธิกันใช้พลังของสมาธิกันเยอะในสมัยอดีตนะพระเกจิอาจารย์ทั้งหลายสามารถที่จะ หายตัวได้เราจะเห็นว่าบางครั้งเสือนี้ยังหายตัวได้เนเสือร้ายที่เรารู้จักกันเสือสามเสือเสือดังมากเสือควายเสือไม่เอี่ยวนและเสือใบที่พุ่งสิ้นชีวิตไปสามเสือนี้ก็บาเพ็ญนี้นหะใช้พลังสมาธิแบบหนังกีนนั่นะพลังสมาธิสูงปฏิบัตินะพวกนี้ไม่ใช่ว่าอี่เสือสามเสือนี่ที่พอจะรู้จักว่า ใช้พลังสมาที่เรียนวิชาต้องกิจใจมั่นคงมีสัจจัไม่ใช่เหมือนเสือปัจจุบันนี้ <c oughs> เสือสมัยก่อนเขามีสัจจะแล้วเสือสามเสือเนี่ยดังๆนี่ยเขาเวลาจะไปปล้นใครเขาก็เขียนไปเขียนป้ายติดไว้ก่อนนะไปเขียนป้ายติดไว้จะมาปล้นนะให้เจ้าบ้านรู้นะแล้วของป้นเขาไม่คือเขาเอากระสอบไปวางไว้แล้วเอามาใส่ คุณจะให้อะไรกระสอบมาใส่ใส่กระส อ, อบกระสอบไนดะ้พอหมดแล้วทุกบ้านแล้วยังพอทุกบ้านเสร็จแล้วเขาก็แบกกระสอบที่เป็นทรัพย์สมบัตินะออกไปเอาไปเสร็จแล้วเขาก็มาคิดว่าใครที่ยากจนในหมู่บ้านเขาก็ไปให้คนยากคนจนเนี่ยเขาไม่ใชปพ่นเพื่ออะไรสนุกสนานเลยช่วยเหลือคนจนเอาคนรวยช่วยคนจนมีลักษณะ น, นี้ของสามเสือเนี่ยเสือควายไปก่อนสิ้นชีวิตก่อน แล้วคนที่ปราบเสือเหล่านี้ที่ดังที่สุดคือขุนพันธรักษ์ราชเดชตอนนั้นยังเป็นตำรวจอยู่อ่แล้วเสือเหล่านี้เกิดที่สุพรรณบุรีใจนาขเกติต่ออยู่ในแถบภาคกลางแล้วขุนพันก็เป็นคนถูกอธิบดีกรมตำรวจสมัยนั้นส่งไปปราบเสือนี้ขุนพันก็เรียนวิชาจากสมณ์ขอ้ออแล้วก็ใช้สมาธิพลังสมาธิเหมือนกันอ่ พอยิงไปก็มองเห็นมันล้มลงอยเงี้ยเข้าไปดูหายไ่แล้วเนี่ยขุนพันธ์เลยบอกว่าถ้าปราบไม่ได้ข้าพเจ้าจะไว้หนวดตลอดจะไม่โกนหนวดตลอดชีวิตแล้วก็จะกลับไปอยู่บ้านที่นครศรีธรรมราชปราบไม่ได้ปราบเสือมอสสวนกับเสือใบไม่ได้ปราบเสือเหล่านี้ไม่ได้ไม่สามารถจับตัวได้ก็จับตัวนะนะจับไม่ได้ เขาให้มอบตัวจับไม่ได้เพราะจับไม่ได้แกก็ย้ายตัวเองแล้วไปได้พลตงรวจสี่ที่นู้นเมื่อก่อนเป็นนายพันตรงนี้ก็มีสัจจะแล้วก็มีพลังของสมาธิเหมือนกันแล้วพวกนีุ้ดเนี่ยผลที่สุดก็บางทีสมาธิเนี่ยไปใช้ในทางที่ไม่ถูกก็มีบางทีเล่นไจยเวทไจยศาสตร์ นี่มันมันเป็นอภินิหารที่มันเกิดขึ้นได้ในจิตใจที่มีสมาธินะนั่นก็คือผ่านฌานนี่เองเนะหรือสมาธิกรมาฐานเบื้องตน้นแต่กรรมฐานจริงๆมันต้องถึงมิมุตนะอันนี้ที่อาจมาล่ายควง ม, มันไม่ถึงไงมันลงทางเบี่ยงหรือมันไปแบบข้างๆกูๆเ แต่ถ้าไปจริงๆมันถึงวิมุติจากฌานตัวนี้ทําให้เขาไปสุ ญ, ญานสุ ญ, ญานคือตัวรู้ที่สามารถละกิเลสละสังโยชน์ได้อย่างเด็ดขาดทั้งสิบตัวนะพอถึงญานแล้วมันจะละสังโยชน์ได้สิบตัวตั้งแต่สกายาทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลปตะ ป, ปรามา่ากามราคะกามราคะรูปราคะนะสกายาทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลปตะ ป, ปรามา การมราคะปฏิกะรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจกักยะปิชชานะทั้ง10บตัวนะมันพอถึงญาณมันละได้มันจึงสิ้นกิเลสแต่โกวนมากมาไปเที่ยวหลงอยู่เลยเนี่ยฉะนั้นใครก็ตามที่จเจริญสมถะก้อนข้างจะเป็นอย่างนี้นะที่ท่านว่าแต่ไม่ใช่ว่าไม่ถึงวิมุตถึงแต่ว่าเป็นอย่างนี้เหมือนกับเรานั่งนั่งรถทัวไปเชียงใหม่ กับเรานั่งเครื่องบินไปเชียงใหม่ถ้าวิปัสสนาก็หมายถึงเครื่องบินถ้าสมถะเหมือนนั่งรถทัวร์ไปพอนั่งไปแล้วเป็นไงมันเห็นโน่นเห็นนี่แวะปั้มโน่นปั้มนี่แวะอะไรต่างๆเงี้ยตรงข้างทางสิวิไลนะี่แต่ถ้านั่งเครื่องบินเพื่อเห็นแต่ก้อนเมฆกึงหนึ่งหรือไม่เห็นเลยบางทีนเราไปถึงลอยนื่นลอยใช่ไหมไม่มีประสบการณ์ผ่า น, นี้นี่นี่คือข้อแตกต่างในการเจริญสมถะกับวิปัสสนา พูดได้โยมเข้าใจเพียงคร่าวๆว่ามันเป็นอย่างนี้นโยมนะฉะนั้นทำไมวัดมาธาจึงเอาวิปัสสนาเนี่ยเข้ามาสอนเพราะว่าวิปัสสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าจแสดงไว้แต่กีี่อัตมายกว่าวิปัสสนาธุระนั่นเองสมมาถามันก็ถึงวิปัสสนาเหมือนกันแต่ ทว่าเนี่ยจะลงทางเบี่ยงเสียก่อนที่ไปเจออารมณ์น่นบางคนปฏิบัติปฏิบัติไปแล้วเกิดไปเห็นอะไรก็ไม่รู้มีความสุขเป็นยังไงก็ไม่รู้ว่าที่ตัวเองปฏิบัติกําหนดพุดโทโธพุโทโธพุโทพโธโธไปโหชงหกนิง่งนะอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะว่าเจอเข้าแล้วไม่ต่อไม่ต่อนะครับนีถามว่าวิปัสสนามีไหมมีเหมือนกันถ้าไม่ต่อมันก็มีเหมือนกัน แล้วทั้งสัมมถตาต้งวิปัจนาะต้องใช้สมาธิเหมือนกันนะครับใช้สมาธิเหมือนกันแต่สมาธิของวิปัจนาเนี้ยเบากว่าเพราะว่าไปพิจารณาถึงเกิดดับใช่ไหมครับพองยุบพองยุบนี่คือเกิดดับเกิดได้ดับเกิดได้ดับหมายถึงอะไรเกิดดับครับนั่นก็หมายความว่าอาการที่เกิดดับเนี้ยเกิดดับของเบนจะขันนี่เ น, นี่ขันห้าเนี่ยเป็นตัวหลักสําคัญ ในการกําหนดรูปนามนี่นะโดยใช้สติปัฏฐานทั้งสี่กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาทั้งสี่ตัวนี้นะมันเป็นวิปัสสนาถามว่าสมะถะใช้สติไหมก็ใช้ไม่ปฏิเสธเราใช้นะฮต้องใช้สติเหมือนกันแต่กําหนดแล้วเป็นสมาธิ มันใช้สมาธ่แบบเบาๆสมหรับวิปัตนาแต่ว่าสมถะใช้มาสมาธิอย่างหนักในการกำหนดเพื่อจิตเรานิ่งมั่นคงเพื่อเป็นอับปปนาสมาธินั่นเองแต่วิปัตนาเป็นตัวผ่านสมสติแล็สมาธินี่ปนเป็นตัวผ่านเพื่อให้เข้าไปจู่การเห็นรูปเป็นนามเกิดดาเกิดดับเกิดดาวน αι. แล้วมุ่งไปจู่อะไรใจลัก ใตรักคืออะไรอา น, นิจจตาความเป็นสภาวะที่ไม่เที่ยงทุ ก, กตาความเป็นทุกข์ของสังขารและอนัตตาความเป็นสภาวะที่ไม่ใช่ตัวตนของสังขารเป็นสมมติบัญญัตินี่ตรงนี้ต่างหากคือตัววิปัสสนาคือตัวปัญญาฉะนั้นโยคีผู้ปฏิบัติทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิปัสสนาที่อาตามาบอกวมื่ตะกี้ว่า ต้องมีอุปสรรคเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีอุปสรรคนะเขาเรียกว่าเครื่องเศร้าหมองของวิปัสสนานะเครื่องเศร้าหมองของวิปัสสนามันมีอยู่10บตัวนะฮะทำไมวิปัสสนาต้องเศร้าหมองแต่ที่จริงตัวที่หนึ่งถึงตัวที่8เนี่ยมันตัวที่9้าเนี่ยมันไม่ที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของอกุศลเลยนะครับเป็นเรื่องของกุศลแท้ แต่โยคีผู้ปฏิบัตินั้นจะปรากฏโยเว้นโยคีที่ไม่ปฏิบัติจะไม่ประสบกับเครื่องเศร้าหมองของวิปัสนาที่ท่านเรียกว่าวิปัสนูปากรณ์นะจะไม่ปรากฏนะถ้าไม่ปฏิบัติถึงไม่กำหนดรูปนามอย่างละเอียดอย่างขยันอย่างไนมันจะไม่ปรากฏสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นฉะนั้นคนที่กำหนดเท่านั้นจึงจะเกิด สิประการนี้ขึ้นมาสำหรับโยคีผู้ปฏิบัติแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นะอย่าไปยึดติดในแต่ละตัวแต่ละตัวต้องพยายามก้าวข้ามไม่ได้ถ้าก้าวข้ามไม่ได้ติดแล้วเราก็จะรู้สึกว่าไม่ไปไกลที่วัาเครื่องเศ้าหอมองของวิปัสสนาเนี่ยตัวแรกก็คือโอภาส โอภาษ์เป็นภาษาบาลีซึ่งแปลว่าแสงสว่างในนี้ใครปฏิบัติแล้วเห็นแสงสว่างปรากฏเห็นแสงสว่างปรากฏขึ้นมานะนะไม่ใช่ลืมตานะหลับตาในหลับตานะปฏิบัติจนจิตนิ่งแล้วโอสว่างสวยบางคน ที่บรรลังตัวเองสว่างขึ้นไปหรือบางคนรอบข้างเราสว่างหรือบางทีบริเวณกว้างๆสว่างหรือทั้งโลกเลยเบื้องบนก็สว่างเบื้องล่างก็สว่างขายายวงไงนะนะวงกว้างอย่างนี้นีน่คือเครื่องเศร้าหมองวิปัจนาแล้วพอเราคนที่ปฏิบัติได้เห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็รู้ว่ไม่เคยเห็นใช่ไหมพอใจติดใจ พอติดใจแล้วเป็นไงอยากจะเห็นอย่างเนี้ยอย่างเี้ไม่ก้าวข้ามเนี่ยมันไม่ก้าวข้ามฉะนั้นวิพัฒนาต้องกําหนดว่าไงถ้าเห็นสิ่งทั้งหลายเห็นหนอใช่ไหมหรือน่ยใช่ไหมกำหนดไว้กําหนดเพื่อที่จะให้มีสติไว่ฉนันไม่หลบเพล่บางทีเราเล่นกับมันอยู่ฉนันไม่เคยเห็นเลยสิ่งนึงระจว่างอะไร บางแบบนี้อยากจะเห็นอยากจะดูก็ทําไปทําไมก็อยากจะดูอยู่พอมานั่งอีกก็ติดอยู่ในแสงสว่างแบบนี้นะอันไม่ใช่นี่คือท่านว่าแต่ที่จริงมันเป็นกุศลนะโยมนะผู้ปฏิบัติจึงจะเห็นถ้าผู้ไม่ปฏิบัติยังไงยังไงก็ไม่ปรากฏนะจะเป็นแสงสว่างขนาดเล็กขนาดใหญ่หรือกว้างขยายวงกว้างไปถึงชั้นเทวโลกโรมโลกจนถึงเพื่อภาคพื้นดินเห็นยังไง นี้ข้อแรกเรียกว่าโอภาษถ้าปรากฏเช่นนี้แล้วนั่นแสดงว่าโยกีนั้นปฏิบัติจนจิตสงบนิน่แล้วก็เข้าถึงวิปัสสนุปเิเรตัวแรกตัวที่สองก็คือยาณนะนยาณะที่จริงถ้าเราเราพูดอีกทีว่ามันเหมือนกับว่ายาณะเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความอะไรตัวยานตัวรู้นะ แต่ว่าท่านบอกว่าไม่ใช่ยานที่ละกิเลสระสังโยชน์นายานตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบกับจริตก็พุทธิจริตนะฮะยังเป็นจริตตกอยู่ท่านว่ า, างั้นนะยังไม่ใช่ว่ายานที่ละสังโยชน์ที่อาตมาบอกถึงเมกี้ว่าละสังโยชน์สิบได้อย่างเด็ดขาดังนั้นมันสิ้นสุดแล้วแต่ยานตัวนี้ญานะตัวนี้ก็คืองานเกิดขึ้นแก่ผู้เจริญวิปัสสนาเนี่ย หมายความว่าโยคีที่ปรกากฏกำหนดรูปนามไปกาหนดรูปนามไปเนี่ยนะครับพอมาอยู่มานั่งมากำหนดดูมันยากมากยากไหมครับเวลากำหนดไม่ยากรลยเรารู้สึกว่ามานั่งใหม่ๆเนี่ยตรมานตรกรมรมอ น, นมากแต่พอมีตัวนี้เข้ามาโ อ, โอ้มันสบายเนี่ นะมันไม่ยากอย่างที่คิดเลยอะ่นะลองดูที่มาเข้ามาใหม่ๆเวลาท่านั่งถ้ายืนท่าเดินเดินก็จะลม้มอย่างเงี้ยนะการกาหนดน่ะมันยากมากอะ่ะในความรู้สึกอย่างนั้นนะแต่ถ้าพอถึงตัวยางตัวนี้นะใครที่กาหนดได้นะถึงตัวยางตัวนี้โอ้มันสบายก้องแคลวดีมากว่องไวจับพลันเหมือนกับอะไรเนี่ยเนรู้ รู้ได้อย่างละเอยียดถูกต้องนะครับเข้าใจวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจนไม่ต้องอาจารย์ครูบาอาจารย์อะไรอย่างจีมจําอมใจนี่ก็เรียกว่ายานนะตัวนี้เนี่ยนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าหากว่า เ, เราไม่ก้าวข้ามตัวนี้เรานึกว่าเราบรรลุนึกว่าบรรลุนะโอ้ทําไมมันทุกสิ่งทุกอย่างดีไปหมดเลย เขจึงเล่าให้ฟังว่ามีอาจารย์กับลูกศิษย์อาจารย์บําเพ็ญสมถะจนได้อัปปนาสมาธิแล้วก็เหมือนได้ตัวนี้ด้วยกล้องแกล้วทําอะไรก็กล้องแก้วหมดในการกําหนดในอะไรต่างๆเก่งหมดเลยปรากฏว่าสามารถนิรมิตสิ่งต่างๆได้อาจารย์จนลูกศิษย์ในเจริญวิปัสสนาจนได้พระลานทีนี้ลูกศิษย์ก็เป็นห่วงอาจารย์ว่าอาจารย์ติดอยู่ในอารมณ์ของสมถะ ก็เลยเข้าไปหาอาจารย์นะกลาพระอาจารย์ครับผมมาเยี่ยมพระอาจารย์นี่ด้วยความเป็นห่วงใหยพระอาจารย์โอ้เธอไม่ต้องห่วงจันนะเธอไปไกลๆเลยฉันไม่ต้องห่วงจันบนรรลุแล้วตอนนี้ก็เลยลุกสิทธิ์รู้นะเพราะเป็นอรันนีต้องรู้มีวิปัสสนาญาณญาณตัวรู้รู้รายละเอียดว่าอาจารย์รู้จิตของอาจารย์นี่ยังไม่บรรลุหรอกแต่ว่าท่านติดอยู่ในอารมณ์ของสมถนะนีก็เลยบอกอาจารย์นะอาจารย์ ถ้าอย่างนั้นผมทดสอบอาจารย์หน่อยอาจาย์ช่วยเสกช้างมาสักตัวห น, นึ่งพออาจารย์เสกช้างปุ๊บคนที่หนีก่อนคือใครครับอาจารย์วิ่งเลยพอช้างมาเขามาวิ่งลูกศิษย์ก็นั้นยังกลัวอยู่ใช่ไหมครับสัคกยกญาติติตังโยอบมันเล็งแล้วไม่ได้อยู่ยังไงรีบหนีเลยหนีก่อนลูกศิษย์เป็นไหนไหนเลยพอกําลังลีบหายไปก็ลูกศิษย์จึงบอกนี่แหละอาจารย์ โอ้ยพระริยาบุคคลชั้นระดัแล้วก็ยังกลัวแบบนี้อยู่เหรอ อ, อ, อาจารย์จึงเข้าใจผิดมานานนี่คือตัวอย่าง น, นี้แหละเข้าใจผิดมานานว่าตัวเองเนี่ยสำเร็จแล้วใช่ไหมก็เลยเป็นยังไงพอลูกศิษย์เตือนสติแล้วกลับมาจเจริญต่อแล้วก็เข้าถึงวิปัสสนาที่ว่าเจโตโวมุดได้เนี่ยคือความเข้าใจผิดถามว่ามันเป็นกุศลไหมอ ย, ยา่างนี้เป็นกุศลนะ แต่มันมีตัวสุดท้ายโยม ท, ที่ที่ล่าความเงียวคือไปติดไปยึดนี่แหละตัวสำคัญมากเข้าใจเข้าใจเอาเองเรียกว่ามโนนะปัจจุบันมโนอย่างมโนมโนอะไรเนี่ยนะ น, นี่ตัวที่สองนะสหรับตัวที่สามคือปีติโยมปีติเป็นยังไงความอิ่มใจนะความอิ่มใจหมายความว่าพอกาหนดรูปนามไปแล้วก็เกิดเป็นอะไรมีปีติเกิดขึ้น นะครับเกิดขึ้นมารู้สึกว่าเยือเกเย็นรู้สึกว่าชาบชา่าไปทั้งตัวมีไหมชาบสั้นไปทั้งตัวแผ่ส้านไปแล้วก็มันเป่เาตัวมีไหมเหมือนตัวจะลอยเมีนะมันไม่ลอยหรอกเหมือนตัวจะลอยเบาเนี่ยนี่นี่เป็นลักษณะของปีติเนี่ยแล้วก็แผ่คนลุกบางคนนะ มีคนลุกขึ้ น, นลุกตั้งจั น, น alez, แล้วก็แผลเจ้าหรือเป็นคลื่นที่ตัวเนี่ยเหมือนกับมันมีคลื่นตามเนื้อตามตัวเนี่ยนผู้ปฏิบัติมันจริงจะเกิดแต่ถ้ามีไ้ยลูกอ PO, อก็เคยปฏิบัติสมาธิไหมสมาตาใช่ไหมวิปัสสนายอย่างเดียวนะเนี่ยอ่ามันก็เห็นได้ มัน ม, มันเห็นได้อันนี้เห็นได้นะเนื่องจากความเพียนที่ค่อนข้างจะจะมากมันก็เลยเหมือนกับบางบางทีเดือนร่าง น, นี้ไม่มีมองไม่เห็นหรือบางทีอ้าวโครงกระดูกนั่งอยู่มีไ้มปรากฏไหมเป็นโครงกระดูกงั้นเราเออเราเงั้นตัวเราเมี้ยทำไมเป็นโครงกระดูกนะครับมันปรากฏได้ อ่าใเห็นตัวเองต้องคนเห็นกระดูกนั่งอยู่ตัวเองเนี่ยเป็นกระดูกก็มีอี่คือสภาวะมันเกิมันถึงไงสภาวะมันเก่าเนี่ยอย่าเข้าใจว่าอย่ากลัวนะเออต้องกําหนดไว้ถ้าไปกลัวแล้วเป็นไงครับนี่คนที่เวลาปฏิบัติแล้วเขาจึงให้มีวิปัสนาจารย์สอบอารมณ์แนะนำแ ล, ล้วบางคนกลัวตกแกโกววิ่งหนีเลยนั่นหมายความขับจ้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่คือจะทําให้เกิด ไม่ปัสสิติ์ิเพราะว่าโยกีต้องกํำหนดใช่ให้พอเห็นอย่างนี้แล้วไม่กําหนุดแล้วอันตรายใช่ไหมถ้ามีอย่างไรก็สอบกับวิปัสนาจารย์นะแต่มาไม่ได้เป็นวิปัสนาจารย์ได้คุยได้นะนั่นคือหมายความปฏิบัติมันจึงจะเกิดนะถ้าไม่ปฏิบัติมันไม่เกิดเรานั่งอยู่ที่บ้านเกิดไหมปฏิบัติด้วยอ๋อต้องปฏิบัติด้วยจึงจะเกิด จะนั่งเฉยๆเนี่ยดูทีวีอยู่มันไม่เกิดหรอกอาการมันไม่เกิดใช่นี่นี่เป็นเรื่องของอารมณ์สภาวะของของวิปัสสนานี่แหละดูอย่างนั้นต้องกำหนดมังไว้นะเราจะเห็นได้ว่าปีตีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในหลายๆกรณีนะที่อาจารย์บอกไปกีก้ว่ามันสา ม, มารถที่จะ ทราบสั้นไปทั้งตัวเป็นคลื่นในตัวแล้วก็ลอยขึ้นอะไรอย่างๆเนี่ยในสมัยก่อนเจ้าคุณอาจารย์พูดว่ามีคนเนี่ยนะสามารถเข า, เขาเข้าใจว่าเขารอยอะลอยขึ้นไปสูงก็กลัวา ม, มากเลยเขาตกใจเรื่องที่ไม่ได้ลอยนะแต่ในความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นพอจิตมันนิ่งมันลอยแล้วบางคนนั่งแล้วไม่ยอมลุกเลยติดกับสภาวะนั้น เขามาปลูกก็ไม่รู้คืออาตมาไปที่นครสวรรค์ไปครั้งหนึ่งวิปัฒนาอจารย์ไม่เข้าใจโยคีปรากฏว่ามีพระรูปหนึ่งตั้งใจมากนะที่สวมทับชุมพลปรากฏองค์นี้เขาฉันข้าวกันแล้วแกยังนั่งอยู่เราก็ไม่รู้ล่ะเราพอถึงเวลาฉันข้าวเราก็มาฉันข้าวหันไปดูอ้าวลูกศิษย์ยังนั่งอยู่องค์หนึ่งเนี่ยทำไมวิปัตนาาจารย์ไม่ไม่มาคลายอารมณ์ นะมีพระรูปหนึ่งทึงไม่รู้หนูเนี่ยไปทึงเป็นผู้ช่วยวิปัสสนาเขาไปขย่าตัวเขาอะมันเป็นเรื่องเสียหายนะถ้าให้สติเขาไม่กำหนดคลายออกอต้องไปกระริบที่หูเขาให้เขาคลา ย, ยให้เขาคลายพอเขาคลายได้แล้วเนี่ยแล้วเขาจะออกมาจากสติาจากสมาธิตัวนั้น ก็อาจจะติดสมาธิมากเกินไปบางทีบางทีงทมันผสมกันนะลูกนะเราเคยเจริญสมถะมาแล้วมาเจริญวิปัสสนามันสอบสวนกันไปหมดมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งเนี่ ย, ยมาปฏิบัติเป็นลูกศิษย์ตอนเรียนในหมหาวิทยาลัยได้เอนะผู้หญิงคนนี้ได้เอเกับทุกวิชาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะเป็นญาติอาจารย์ก็สอนแต่ต่อมาเนี่ยเสียได้มากเลยระหว่างสมถะกับวิปัสสนาตัวเองกําหนดไม่ได้ไปเจอ ก็ยังไงเนะพี้ยนไปเลยเพี้ยนไปเลยนะจนทุกวันนี้เนี่ยไม่ทราบหายแล้วยังห้าปีหกปีแล้วเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคือไม่เข้าใจระหว่างสมถะกับวิปัสสนาบางทีเพ่งไปเพื่ออยากให้ได้อภินิหารอะไรต่างเนี่ยโดนใส่หูก็าว่าถงปิดในนั่นหนินเทวดาเนถูกยัดโดยสมถะ้าไปเนี่ยพระวิปุตตะอาจารย์ยัดก็บางทีก็โดยไม่รู้ให้เขาเห็นใน น, น, นั้นในได้เนี่ยต้องเห็นไม่เห็นไม่ได้เนี่ย พปบปฏิวัติแล้วก็มามะเจววิปัสนาะก็มันก็ทุก ป, ปีกันทะเลาะเหมือนยกอักษ์วัดโพวัดแจ้งคือกําหนดไม่ได้เพราะไม่ได้ศึกษาเข้าใจว่าวิธีไหนมันเป็นยังไงนี่อันตารายเหมือนกันนะฮะต้องทําความเข้าใจนะครับนะต้องความเข้าใจเรื่องนี้ถ้าวิปัสนาะก็เป็นเรื่องของวิปัสนาธรถมะเป็นเรื่องของธรรมะมาตีกันงัวพอมาวิปัสนาก็ อ, อยากจะไปเห็นโน่นเห็นนี่เห็นเทวดาเห็นอะไรต่างๆเงี้ยนะใจมันเห็นไม่ได้ มันไม่ได้เนี่ยมันเรื่องของภาวะจิตนี่สำคัญมากจนทําให้เด็กคนนี้แล้วก็ขยันนะกลางค่ำกลางคืนไม่นอนแม่ก็บอกว่าพระอาจารนะไม่นอนเลยทั้งวันทั้งคืนยิ่งไม่นอนยิ่งแล้วใหญ่เลยใช่ไหมยขยันทําไม่นอนเลยเนี่ยแล้วผลที่จะสมองสติปัญญาอะไรมันก็ไปหมดนี่นี่เป็นอันตรายฉะนั้นไม่ใช่ว่าธรรมถาไม่ดีวิปัฒนาไม่ดีขึ้นอยู่กับเราเนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ย ไม่เข้าใจแล้วก็วิปัสนาจารย์ที่แนะนำมารมสอบมารมไม่เข้าใจก็เป็นอันตรายเหมือนกันฉะนั้นนี่กอฝากไว้เราอย่าไปตื่นเต้นอย่าไปตกใจนะลงอย่าไปตกใจนะเห็นตัวเองคอไปอย่างนี้แต่ไม่มีไส้มัเป็นไรเราไม่ต้องกลัว <c oughs> ถ้ามีไส้อยู่น่ากลัว <c oughs> เดี๋ยวจะไม่จบสิบข้อ นี่ต่อไปเป็นข้อที่สี่นะเอาคร่าวๆปัจสัตธธิปัจสจัติคืออะไรคือความสงบเนี่ยตัวนี้ก็เยอะนะพอโยกีปฏิบัติไปแล้วนะครับก็เกิดความสงบนีสงบจิตสงบใจไม่กระวนกระวายนะครับไม่กระวนกระวายเลยแล้วความสงบแบบนี้ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตมันจะเกิดขึ้นในใจของเราเหมือนชงหมกหมู สงบจริงๆใครพุยกันเสียงดั ง, งข้างๆก็ยังไม่ไม่รู้สึกมีไหมครับเนี่ยเนี่ยไม่รู้สึกทสงงบโอ้เนี่ยเราเพลินกับมันเนี่ยใช่เพลินไหมเวลาโอ้อยากให้เป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตเนะนี่เนี่ยมันติดก้าวข้ามมันไม่ได้ไงสงกตัวนี้โอ้สงบถึงไม่เคยสงบมาเลยนิ่งขนาดเสียงดังจุดประทัดยังไม่รู้สึกเลยอย่างนี้ นี่มีสำหรับโยกียผู้ปฏิบัติเห็นหในนี้ก็ยังมีเลยเนะต่อไปก็ข้อที่ห้านะกันเวลาจะหมดแล้วเหลือ1ินาคือนีของไห้เวลาจมูงนข้อที่ห้าคือความสุขนายมความสุขความสุขที่เกิดจากวิปัสสนาเนี่ ย, ยบอกว่าเป็นสุขที่ปราณีมากเนเป็นสุขที่ล้นหัวใจ ไม่ทราบใครเจอหรือเปล่าความสุขที่ไม่เคยเจอใช่ไหมครับมันล้นหัวใจทําไมมันเป็นอย่างนี้นะฉันไม่เคยเจอมาเลยเห็นได้ความสุกกินหนอสุกกินหนอนี่ถูกเหมมันล้นหัวใจนะแล้วก็มีความเป็นอะไร <c oughs> ไม่เคยมีมาก่อนนะครับเนะี่ยไม่เลยแล้วก็พอใจกับความสุขนั้นนี่ก็เป็นอันตรายเหมือนกันก้าวข้ามไม่ได้ เราก็อยู่มีชีวิตยอยู่ลืมตามองดูเราไม่เคยเห็นความสุขไม่เคยเจอความสุขในการปฏิบัติเพราะมาเจอความสุขในการปฏิบัตินี่ยสุขจริงนะครับนี่ก็ที่จริงมันเป็นกุศลนะเตี้ยแต่มาพูดอยู่เนี่ยมันเป็นกุศลทั้งหมดทั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อห้าแล้วแต่ว่าตัวสุดท้ายข้อสุดท้ายนี่แหละที่ตัวเข้าไปกีดกันให้เราข้ามพ้นไม่ได้ตัวต่อมาคืออธิโมกข์อธิโมกซึ่งท่านแปลว่า จิตน้องไปคือศรัทธาวิปัสสนามีไหมศรัทธาไหมโอ้วิปัสสนานี่สุดยอดใช่ไหมและนึกเอ่อศรัทธาพระเจ้าและศรัทธาในการปฏิบัติเนี่ยที่พระองค์คลบพบนี่แล้วเคยนึกไหมว่าโอ้เสียดายมากแม่ที่บ้านพี่น้องไม่สนใจเคยคิดไหมอยากให้เขามามีคิดไหมแบบนี้มีใครคิดไหมพอเจอเขาไปอยากให้เขามามาเจออย่างเราบ้าง แม้แต่คนที่ตายไปแล้วนะ่าเสียดายนะแหมเขาไม่ได้มาเจออย่างเราใช่ไหมครับนี่คืออาทิโมวิธีจริงๆจุดจริงๆจิตใจศรัทธามากน้อมไปนี่แหละเป็นแนวทางมันสลายวิจีกิจาความสงสัยได้เลยในนิวรนะใช่ัหมฮะสลายความสงสัยได้เลยนี่เป็นทางปฏิบัติเนี่ยเรียกว่าอาทิโม มันศรัทธาแบบพิเศษเลยนะโยมไม่ใช่ศรัทธาแบบหัวเต่านะถ้าศรัทธาหัวเต่าเป็นยังไงโผล่มาโปล่มาใช่ไหมนี่มันศรัทธาจริงๆนะงั้นถ้ามันเกิดแบบนี้เกิดจากโยกีปฏิบัตินะครับกำหนดปฏิบัติแล้วมันเกิดทราบซึ้ง เนี่ยตัวนี้แหละที่มันเป็นมายาที่ปรากฏออกมาเนี่ยขากลัวใช่ไหมไม่กล้าปฏิบัติตเขาใจเงนองนะเข า, เ า, านนก็าออกมาเดินแต่ในความรู้สึกว่าร่างเขายังนอนอยู่ อันนี้ค่อนข้างเป็นพลังของสมาธินะไม่ใช่ตัววิปัสสนาจริงๆแสดงจิตเขางนิงจิตเขามัน่นใช่นั้นนะจิตเขามันใช่จิตเขมันเขาค่อนข้างจิตความสงบของจิตมากกว่าที่เป็นสมาธิเป็นฌานฌานเขากลัวดิเขากลัวอย่างนี้อย่างนี้ก็ต้องพยายามที่จะให้เขากําหนดนะท่านแนะนำของให้กําหนดต่ออย่าไปสนใจกับสิ่งที่เห็นสิ่งที่ปรากฏ เขาไม่นั่นเขาจะตกใจแล้วเขาจะไม่ปฏิบัติอีกเลยพอปฏิบัติแล้วมันไปเห็นอย่างนี้เรากำลังเดินจงกรมซ้ายย่างหนอไปยหนออ้ยังนอนอยู่ที่เตียง <c oughs> อยู่นลใช่ <c oughs> เขาเรียกว่าพวกนี ok ้มโนมยิทธิมันเป็นพลังที่สงบแล้วฤทธิ์ทางใจยอด่วนขยายส่วนได้เลยมันสามารถก็มีพระในพระพุทธศาสนาองค์หนึ่งชื่อจุลปันตก ท่านจุลละปัจจการนี้ยอดส่วนขยายส่วนตัวเองได้ได้มโนโมยิทธิ์นี่เรารู้สีเรือเนน่องดํำรึเปล่าไม่รู้เนี่ยคือเขาสามารถที่จะริมิตตัวเองได้ด้วยพลังจิตที่เขนิ่งแล้วก็ขยายตัวเองไปอยู่ได้ความนิ่งของจิตของเขาสามารถนี่เรามิได้เขาเรียกว่ามโนโมยิทธิลิทธทางใจนี่ก็เหมือนกันหน่าจะจิตก็สงบมากน ะ, ขะเขปฏิบัติตั้งเด็ก แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องแนะนำเขานะไม่ใช่ปล่อยเขาทำนะคือเขาตกใจขึ้นมากำหนดไม่สติสติมันไม่ทันแล้วก็จะนะต้องตติให้ตามทันนะว่านั้นเป็นมายาเป็นสมมุติบัญญัติเท่านั้นสภาวะอย่างที่มันเกิดขึ้นนะเรื่องจีตเขามั่นสงบจริงๆดังนั้นความสุขที่โมกแล้วนาะยูนะต่อไปตัวที่เจ็ดปักคางะ ปักาคืออะไรในความเพียรของวิปัสสนาเนี่คือเคยไหมทำแรกๆก็เหนื่อยพักเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็ข้าหของน้ำนะพอนั่งปุ๊บอาจารย์วิปัสสนานำยังไม่จนจบคำนับหนึ่งคำนับสองคำนับสาชเมั้ยมเมืม่อก่อนแรกๆคำนับอาจารย์มากเกินไปถีน้ำมิธานีวอน แต่พอโยคยีปฏิบัติไปปฏิบัติไปนะตัวนี้โอ้ไม่มีเลยเนี่ยเขาเรียกว่าปักข้ามีความเปลี่ยนกล้องแค่ว่องไวแล้วไม่เด็ดไม่เหนือ่อยอยากปฏิบัติเลยม่วงก็ไม่ง่วงคำนับอาจารย์ไม่มีแล้วนี่คือเรียกว่าปักข้ามีความเปลี่ยนในการเจริญวิปัสสนาเข้มแข็งมากจิตเนีแต่แรกแรกมักมีอาการอย่างนี้ แต่ถ้าโยกยีปฏิบัติไปนานๆจะเจออย่างนี้นะเจออย่างนี้ไม่เมื่อยไม่เหนื่อยไม่ว่งนแล้วก็อะไรขยันผิดปกติโดนตรวจสอบนะจะบอกอะไรขยันผิดปกตินะน่าจะเจ อ, อตัวนี้เข้ามาเ็าเรียกว่าปากาคือความเพียนแล้วมันเพลิดเพลิ น, นิน ไม่มีความรู้สึกอะไรเรียกว่าเคยจินเหมือนเราขี่จักรยานใหม่ๆล้มแล้วล้มอีกแล้วต่อไปก็ปล่อยมือได้เนี่ยนี่คือการเจริญแบบนี้ความเปลี่ยนอย่างนี้กล้คงคองตัวคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็ไม่ห่วงไม่อะไรนี่นี่คือตัวปะคังที่เป็นความเปียนต่อไปอุปัฏฐานะตัวที่แปดนโยมนะอุปัฏฐานะก็คือความมั่นคงในวิปัสสนานะ ความมั่นคงในวิปัสสนาก็คือว่าหมายความว่าเคยกําหนดยากเย็นอย่างไงมันไม่สงบสักทีหนึ่งแต่พอโยกีกําหนดไปกําหนดไปแล้วถึงตัวนี้ข้าวก็มีความว่องไวไม่หวั่นไหวไม่กรนแคลนนะครับแล้วไม่เปรอสติมั่นคงเนี่ยตัวนี้ทําให้เราสติมั่นคงแล้วก็กําหนดได้สบายเช่นกําหนดกาย ก็กำหนดสบายกำหนดเวทนาก็สบายกำหนดจิตก็สบายกำหนดธรรมก็สบายเช่นกำหนดกายกายานุปัสสนากายเห็นกายในกายคืออาการ32สองใช่ไหมอาการ32เกษาโรมานะคะธรรมตาตะโจมังสังนาารูอัติอติมินจังวังอัติยังติเราท่องกันนี่เนี่เนี่ยคือกายในกายละเอียดกายที่ละเอียดเนี่ยกำหนดได้กล้องเลยเนียแล้วเวทนาก็เหมือนกัน ได้คล้องแกล้วเห็นเวทนามีสุขกเวทนาทุกเวทนาอเอาเบีขาอะไรต่างได้อย่างคองแคล้วจิตก็เหมือนการจิตเจ้าหมองจิตผ่องใสอะไอย่หรือทำอารมณ์ที่มันเกิดในใจเนี่ยยาอารมณ์ที่มันถูกสะสมมันเก็บเป็นพลังงานไว้แล้วพวกนี้เป็นไงเอามาคิดใช่ไหมโยมมาคิดสิปีก็ไม่สายล้างแค้น เ, เนี่ยพยายามตรเกิดนั่งมีปัจจนาเดี๋ยว ก, กลับไปด่านี <c> ่ <oughs> นี่คือคือจริง สิ่งที่มันเป็นธรรมารมณ์เราต่อสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นนี้สําคัญมากนะใช่ไหมจัตรูที่มองไม่เห็นคือจิตเราเองเนี่ยนี่อารมณ์ของเราเองเนี่ยอันตรายมากแล้วเมื่อสติตามไม่ทนันเป็นไงมันไปแล้วมันปรุงไปแล้วใช่ไหมโทษสาเกิดโ ม, มาเกิดใช่ไหมฮนั่นคือเกิดนิวรณ์ขึ้นมาแล้วพยาบาทอย่างนี้เป็นต้น น, นนี้คือต้องสติไว้เสมอเลยผู้เจริญนะครับ ฉะนั้นตัวนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากสติต้องมันง่นคงตัวที่9อุเบกขาอุเบกขาเนี่ยคือความเฉยในอารมณ์นะครับนั่นหมายความว่าไม่มีก า, การกันวันไหวไปในอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดอิทธารมณ์ก็ไม่มีอา น, นิถารมณ์ก็ไม่มีถ้าใครยังมีอิทธารมณ์อยู่อา น, นิถารมณ์อยู่อารมณ์ที่พอใจและอารมณ์ไม่พอใจ เกิดขึ้นในการปฏิบตัติก็ยังไม่ถึงอุเบกขาอุเบกขาอารมณ์นี้เป็นกลาง嘛เนีเป็นกลางเป็นอารมณ์ที่เป็นกลางเหมือนกับว่าเราไม่ยึดติดอะไรแล้วเหมือนจะไม่มีกิเลสนะตัวนี้อารมณ์ที่เป็นกลางเหมือนจะไม่มีกิเลสนะเนีเพราะอะไรอารมณ์ชอบเราไม่ปรากฏอารมณ์ชังเราก็ไม่ปรากฏเหมือนอะไรแบบสบายสบายเจงงครับต้องปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติในนี้ อย่างน้อยคนสองคนก็ได้รับนีเนี่ยมันก็เลยกลายมาทั้งหมดนี้ทั้งแต่ข้อหนึ่งโอภาษจนถึงอุเบขาเนี่ยมันเป็นกุศลทั้งนั้นนะหนุ่มนีแต่ท่านไมท่านจึงบอกว่าเป็นเครื่องเศร้าหมองของวิปัสสนาะเพราะเราไม่ก้าวข้ามเราไปติดมันเนีทั้งหมดนี้พอตัวสุดท้ายนิกันตะนิกันตนิตัวนี้มันมีอยู่สามตัวเข้าไปเกี่ยวข้องหนึ่งตัณหา สองมานะสามทิศที่สามตัวนี้มันจะเข้าไปมันจะเข้าไปอาตานาคืออยากตั้งแต่โอภาสจนมาถึงอุเบกขาใช่ไหมพอเราไม่มีอิรมูปนีอ้อยู่กับเรานา น, นๆความอยากอยากให้มันอยู่ไม่ขับไล่ค่าเช้าก็ไม่ต้องเอานะครับไม่ต้องเสียค่าเช้ามันอยู่ในใจหนึ่งเ น, นี่นี่คือตัวสําคัญมากตัวทุดท้ายตัวนี้แหละที่จะทําให้เป็นอกุศลเกิดใช่ไหมครับ คือตัณหาตัวแรกมานะคืออะไรครับมานะก็คือว่าโอ้ฉันเก่งเนาะในนี่ไม่มีใครรู้ฉันได้เลยฉันเห็นสภาวะเหล่านี้ตามที่ปรากฏไม่มีใครเก่งกว่าฉันอย่างเนี้ยเราก็ยกตัวแล้วคติไม่ควังใครแนละ้วตีนี้ไม่ควังใครไขฉันทำไปโดยไม่ควังใครตั้งนานวิปัตนาจารย์ฉันก็ไม่เชื่ออย่างนี้เป็นตนใช่ไหมครับนี่ทั้งสิบตัวนี้ญาติโยม เขาเรียกว่าเครื่องเศร้าหมองของวิปัสสนาแต่ขอโยมเข้าใจที่ยธรมาพูดนี้เพื่อเตือนสติท่านว่าเราอย่าไปติดกับทั้งหลายเหล่านี้ถ้าไปติดแล้วเราข้ามพ้นไม่ได้มันจะเพราะมีตัวนี้กันติตัวนี้ที่มีกิเลสอยู่สามตัวคือสาม <c oughs> ตัวนี้ก็คือได้แก่ตัณหามานะและก็ทิฏฐิสามตัวนี้ ที่มันคอยที่จะให้เราติดอยู่ฉะนั้นถ้าสลัดตัวนี้ได้แล้วตัวสุดท้ายเนี่ยที่มันเกิดซึมซับอยู่ทุกตัวทุกตัวทุกตัวตั้งแต่โอภาษมาเนี่ยมันก็จะหลุดพ้นไปได้ฉะนั้นจะไม่ติดอยู่ในจริงทั้งหลายเหล่านี้กุศนก็จะพึงมีพึงเกิดขึ้นนะแล้วเราก็ต้องกระจาย้าใช้อุปกรณ์ของวิปัสนาสามตัวนะโยมกรุงรู้อุปกรณ์วิปัสนาอุปกรณ์ของเวิัสนาสามตัวคือ นะอาตาปีสัมปชานโนและก็สติมาถ้าสติไม่มาม า, มานะสามตัวนี้เป็นอุปกรณ์ของการเจริญวิปนะัสสนาแล้วต้องบาลานกันนะเนะี่ยถ้าความเพียรเยอะเกินไปก็ไม่ได้ตัวรู้กําหนดไม่ทันรู้ไม่ทันสติก็กําหนดไม่ทันเพราะว่าเพื่อให้ยินทรีย์กับพระทั้งห้าะนะนะทั้งสองตัวนี้มันบาลานลงตัวด้วยโดยใช้อุปกรณ์สามตัวนี้ นะเสียดายเวลาหมดแล้วนะเนี่ยตมาต้องไปแล้วละ่ะนะเมื่อพบแล้วก็ต้องมีจกักนะฉะนั้นขอความนะเป็นการเตือนสติท่านทั้งหลายนะครับขออนุมโมทนากับโยกีทั้งหลายที่มีความตั้งบกุกตั้งใจในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนโอ ก, กาสกัเป้นะครับด้วยอนุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพของคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ธรรมานุพาเวนะด้วยนุภาพแห่งคุณของพระธรรมสังขานุพาเวนะด้วยนุภาพแห่งคุณของพระอริยสงฆ์จงดลบรรดาลให้ญาติโยมผู้เป็นโยคีทั้งหลายจงเจริญด้วยพรสีพระการคือขอญาติโยมมีอายุมั่นขวัญยืนมีวันณนะผิวพรรณที่ผ่อมใสมีความสุขกายสบายใจมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมต้องมีปฏิพันธ์ ธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติโดยทั่วถึงกันทุกทุกท่านทุกทุกคนเทอญขอเจริญพอ